เนเมื่อนีโรงพยาบาลพนมากนี่นะคับคู่บาอาจารย์มาจากมุกราหารหลวงพ่อก็ถามว่าโรงพยาบาลนี่มีจุดประสองค์อย่างที่มาในครั้งนี้เพลนก็บอกว่าทั้งหน่วยเหนือให้โรงพยาบาลทำบุญตักบาตรและก็ฟังธรรมเทศนาจาก ผูบาอาจารย์ทั้งไฟประสงค์เพื่อศึกษาจริยธรรมหลวงพ่อก็เลยบอกเรื่องจริยธรรมมือเสนะ า, ารนี่ทั้งผูบาอาจารย์ทั้งหมกทาหารพร้อมทั้งพ่ออ๋อลงเรียนพร้อมนะหมอพร้อมอะไรไปสอนจริยธรรมบอกจริยธรรมสู้กันฟังจริยธรรมคืออย่าง ถ้าว่าว่าแบบภาษาบาลีมันก็ว่ว่ายากกว่านไปคันว่าแบบภาษาอังกฤษที่เขาเว่ากันก็ว่า IQ EQ นไปอ IQ น, นคื อ, อย่างคือความลูกความฉลาด EQ น, นคืออย่างคือความรับผิดชอบในาลุพอบอกเก่งภาษาอังกฤษที่ันาด น, นแต่เขาว่าคือวาวาน้ำเาน่ไปอ IQ น, นคือคนที่มี IQ สูง EQ คินะ่คือคือนนหูจักรบผิดิชอบแต่นี่มามาเบาถึงจริยธรรำบ้านในรักของพุทธศ า, าสนานี่ที่พระพุทธเจ้าของเฮาเนี่เพิ่นสอนมาแลห้ว2้4 8ีปีนนปน เ, เนี่วนไปเพิ่นเขาเากน่ว่อนเบากรอีคิอิวเลยเฮ้ยังอิติพิโสที่เข้าสวดเนี่เข้ากับสวดเป็นยนังางวสวดเป็นแบบนกแกว้วนุกคุนทองบ้าไปกับบ้าไป ยี่ติปิโสภคะวาอาลาหังสัมมาสัมพุทโววิชาเจรณาสัมปันโนนะเพื่อตามไม่จริงถ้าวอเปลเป็นภาษาออกมาเนี่ยวิช า, าวิชาคือความรู้เจรณะคือความประพฤติสัมปันโนไปวัดผูกถึงพร้อม เ, อเป็นบาลีเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นคำพูดออกมานะวิชาจรณะสัมปันโน วิชาคือความรู้เจรณะคือความประพฤติสัมปันโนแปลว่าผู้ถึงพรหมผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและเจรณะโุกตโตเป็นผู้ไปดีโล ก, กวิฑูเป็นผู้ลู่แจงโลกสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จประทับ ก, กรุงกบิลพัทไปโปรดพญาดพระวงศ์พอไปถึงแล้วก็พญาดพระวงศ์ก็ ทุนเชิญพระพุทธเจ้าไปประทับหมองที่ปล้ำหรืออาคันย์ใหญ่ที่รับแขกบานแขกเมืองแบบศูนย์เศรษฐกิจจึงสลักสำหรับต้อนรับแขกบานแขกเมืองมาในพระพุทธเจ้าเพื่อกลับไปนางแล้วก็พระสงฆ์กับ น, นางอยุคหางหนึ่งมหากษัตรสกับ น, นางยุคหางหนึ่งประชาชนกับ น, นางยุคหางหนึงเพราะเป็น เป็นเสือพอญาติพระวงเนีพระพุทธองค์เทศแสดงธรรมพอแสดงธรรมจบว่ท่านจนบไปพลกระโคงจะเหนื่อย เ, อเพียอยากจะพักผอ่อนพลก็เลยบอกให้พระอา น, น, น, นุ์ว่าอานุนท่านแสดงธรรมให้พญาติพระวงฟังได้ลักษณะนั้นแหละไปเดี๋ยวเราตถาคตจะพักผ่อนมานแล้วพระพุทธเจ้าก็เลยไปพักผ่อนอยู่หลังหลังม่าน พามานกันวันนี้พระอ น, นุนก็เป็นองค์แสดงถ้ำอบร่มญาติพี่น้องเพราะพระอ น, นุนก็คือเป็นเสื้อพระญาติพระวงศ์คือกันเนียเป็นลูกน้องไส้พระพุทธเจ้าคือกันลูกของพระญาติจุตโทษนะแต่นี่พระอ น, นุนก็พูดพูดพูดไปพระอ น, นุนบอกว่าผู้มีวิชาและจรณะ วิชาคือความรู้เป็นทีย่อมรับของมนุษย์ทั้งหลายคนถี่มีความรู้เป็นทีย่อมรับของคนทั้งหลายขั้นโูาดมีเจรณะคือความประพฤติปฏิบัติดีพร้อมนะเป็นทีย่อมรับของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแต่ความรู้ซื่อๆในเทวดาเพระท่านยอมรับเนีคือคนดีเพระท่านย่อมรับคนไปเพราะว่าพอว่า ความรูน้นะอาจจะเอาเอาไปใช้ทั้งพิษก็ได้ถ้าไปใช้ทังถูกก็ดีไปถ้าเอาไปใช้ทั้งพิษกับพิษไปเลื่อยๆไปใช้ความรู้ของตัวเองเนี่ยสมองกูสิีขามันนี่กู ว, ว่างแผนยังไงวันหนึ่ไปเนีว่างแผนไปก่อนเลยหาท่างท่าได้ไปพร้อมเสืบเล่ากูสิเขามันแบบไ้ค้าแบบไรวันหนึ่งเอาความรู้เจ้าของไปไปเหตุเนีอันอนี้แปลว่าความรู้ มันบอท่านมีคุณธรรมเลยยังบอท่านมีจริยธรรมอะไมีแต่ความรู้ยื้อไปเบียดเบียนผู้อื่นไปร่างแก่ผู้อื่นไปขาไปตีผู้อื่นไปชกไปลักผู้อื่นไปป่นไปจี้ผู้อื่นบ้างแผนใหม่ไงเอาความรู้ของเจ้าของนะ่ะเอ่อแล้วก็ใช้วิชาความรู้ของเจ้าของเราไปเหตุความสัวอันนี้แปลว่ามีแต่วิชาความรู้ส่วนจรรณะนี่คือความประพฤตินี่อีกแนวหนึ่งเรือเป่าเนี่ ในเมื่อเขาไปป่นไปยี้เขาไปหลักไปขโมยเขานะเขาเสียใจว่เขารู้ดึกมีความรู้สซึ้งจังใดคานาวาเขามาเหตุให้เขานี่เข่าสิมีความรู้สึกงจังใดอันนี้แหะคือจริยธรรมระบาดสรุปเราก็คือเอาใจเขามาใส่ใจเข้าเอาใส่ใจเข้าไปใส่ใจเขา้าไปโดนไปแต่หลวงพอบอกมือเส้าเนี่บอกว่าทางว่าเข้าเป็นหมอเข้าเป็นหมอ เข้ารักษาคนไข่คันาว่าเข้าเนี่เป็นค้นไข่เข้าเนี่เป็นค้นไข่แล้วมารักษาหมออย่างเข้านี่เข้าพ่อใจบ่เข้าเต็มใจบ่อ่อคำว่าตูกหมดว่ะเข้าเป็นคนป่วยล่ะมาหาเข้าให้เขารักษาจริงๆล่ะเข้ารักษาพ่อปนีล่ะเนี่ยเข้าพ่อใจบ่คันว่าเออคันว่าเข้ารักษาแบบนี้นะคันว่าเขามาเนี่ยเข้ารักษาแบบเขารักษานี่ เฮาพ่อใจอย่างมากเฮ้ยเฮายินดีให้เขารักษาแบบนี้แสดงว่าเฮารักษาเต็มที่แล้วแต่ว่าคั้นหาว่าเฮาคืนว่าขั้นเป็นเฮาป่วยเฮ้เฮารักษาจะเฮารักษานี่ยนะเฮาจะพ่อใจบอโอ้ยขั้นรักษาพวกป้าเฮารักษาเนี่เฮาบ่รักษาดอกบกกาเสียงเฮาย่านตายขึ้นกันนะอันนี้แปลว่าเฮาขาดจริยธรรมแล้วอ่าขาดจริยธรรม บอบอบอทำทำบอเต็มที่บอเต็มความสามารถมาดีมาเปรียบเทียบเพิ่งคู่บาอาจารย์ไปคู่บาอาจารย์ทจำนวนเขามีลูกขั้นสอนแบบนี้นี่สอนแบบเข้าสอนนลยเข้าเสีให้เข้าเสียให้ลูกเขาไปเนี้นี่ยบอกามันสอนยัเข้าสอนนลยเออขั้นทาว่าสอนยังเข้าสอนเลยข้นเป็นลูกของเขาเข้าไปเย็นดีที่จะให้เข้าสอน ข่านว่าอ่านไปว่าเต็มที่แต่ว่าค่นเขาบอกว่าเออข้าพเสอนยังเข้าสอนเนี่ยขเป็นลูกของเข้าเข้าบ่อ้เขามาเฮียนาหลกสอนพ่อไปเนี่ทั้งเที่ยวท่านเหลียญทั้งกินเหล่าเม้ายาบรับผิดชอบข้าพเเป็นลูกเข้าเข้าบ่อยเลี้ยนแต่แก่กับเข้า่าสั่นไปแสดงว่าเข้านี่แย่แล้วมาสั่ไปบ่ต้องบ่ต้องถามผู้อื่นเลยให้เบิ่งเจ้าของมันัอนไปเอจริยาธรรมสรุปแล้วก็คือจริยาธรรมนี่ เอาใจเขาไปใส่ใจเฮ้าเอาใจเฮ้าไปใส่ใจเขาสมมวเฮ้าไปเหตุให้เขาเขาเดือดร้อนเขาถุกเขามาเหตุให้เฮ้าเฮ้าก็ถุกขึ้นกันในเมื่อมันถุกจังสันเฮ้าเขาบุคคลเจะเหตุให้เขาต่างคนกับต่างระเวียงระวังของไผยของมันอย่าไปเหตุอย่าไปพูดแต่แกเขาเสียใจช้ำอกช้ำใจเพราะคำพูดของเฮ้าเพราะการกระทําของเฮ้าหาว่าต่างคนต่างรักษาจังสันไปวะ ทุกคนมีจริยธรรมความประพฤติโลกทั้งโลกก็จะได้รับความโลกเย็นเป็นสุขแต่ทาว่าพวกเข้าขาดจริยธรรมอย่างที่ว่าเนี่ยเหตุแต่ซักว่าเหตุไปทำจักษะว่ำทำไปเดือดร้อนไผ่กระซางมันบด้คิดเจ้าสั่งมันว่แปลว่าพวกเข้าขาดจริยธรรมจริยธรรมอันนี้ก็คืออีกย่งเมื่อเป็นหลวงพ่อหลวงตาอย่างหลวงพ่อจริยธรรมหลวงพ่อก็พี่ได้ เออจริยธถ้ำของคู่บาอาจารย์ก็มีจริยธรรำของหัวหน้าก็มีหัวหน้าควรจะว่างตัวแบบไหกับลูกน้องเออจริยธรรำของลูกน้องเมื่อเป็นลูกน้องห้างสีว่างตัวอย่างไรกับกลมกับหัวหน้าห้องเป็นตำรวจห้างสีว่างตัวแบบไหจริยธรรำของตำรวจขึ้นอย่างจริยธรรำของธนาคานขึ้นอย่างจริยธรรมของพิพากษาอายการ คืออย่างจริยธรรมของทหารคืออย่างล้วนแล้วแต่มีจริยธรรมทั้งหมดข่มข้องทหาวาหา่าเฮ้าจีไลเลี่ยงไปแล้วทุกค น, คนทุกคนต้องมีจริยะคือการประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องให้ลูกเข่าลูกเฮ้านี่แหละงี้ว่าจริยธรรมของพระพุทธศาสนาหรือของพระพุทธเจ้านี่ยไอ้พวกเข้าศึกษานะเอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขา สมมติว่าเข้าทางานบ้านเนี่ยตั้งแต่หัวหนา้าจนถึงผ่านโลกไปแล้วเ ง, งินเดือนเท่านี้เฉลี่ยออกมาถือมือละเท่าไหรแต่ละมือสามสิอ็ดมือสามสืมอสามสอ็ดมื อ, มมอถือวันละเท่าไหร่บ้านนี้ให้ถามเจ้าของบ้างว่านี่ยบ้าขยันกูเป็นหัวหน้างา น, นกูสิกล้าางกูบ่นอ กูสีกล้าจ้างกูปนอ้องเงี้ยเดือดขนาดนี้ทํางานพอรอรอแล้ะแบบนี้กูเสีกล้าจ้างกูปนอ้อคือให้ถามเจ้าของอันนี้คื อ, คอจริยธรรมอันหนึ่งเท่กันเอออันนี้แหะคือจริยาธรรมเออถาว่าพ่กกล้ า, าจ้างเจ้าของจะได้ไหมเจ้าของทํางานพอเต็มถี่แย่มากแล้วท่านไป <laughs> เอออันนี้หลวงพ่อบริบบคุมหนนคุมนีนิด้ บ, บ, บอกบอกให้พวกเ ข, ข้าไปคิดตัวหนไปค้าน้องว่าพคิดมันจะลืมเจ้าของเดะ มันจะลืมเจ้าของก่อนเอาไปกูแมนไผหนอพป็นยังงเนี่ยลงพอบห้พวกเข้าในกิจพอให้นั่นพวกเข่าเดียินไดเ้ฟังอย่างที่ลงพอวานนะั้นลงพวา ม, มนว่าดูถูกเกียดติยามกุมไหกกุมหนึ่งเลยให้หูจักเจ้าของโอพณยิโกน้อมเขามาหาตัวเองว่าผู้คานีใได้รับเงื่อนเหลือนยังสี่ไครเปนผู้คาเนี่เป็นเจ้าของตำหนักงานนี่ยผู้คาที่กล้าจ้างเจ้าของบอก ให้ถามยุงสันคนนั้ไปคานาวาถามยุงสันแล้วเอ้ยกล้าเล่าเต็มที่แล้วทำงานเต็มที่กล้าแท้ๆกล้าจ้างเจ้าของแท้ๆเลยคาเมนปูไรกาจ้างเฮ้าแปลว่าพวกนั้นตาถึงล่ะเออตามองเห็นตามองคนเห็นล่ะเถึงแล่ะตาตาถึงคนนั้ไปเอ่อโม่งข้นทํางานได้อย่างเฮ้าคนนั้นไปอะนั้นแปลว่าเฮ้าทํางานเต็มที่คนนั้ไปเออไปตกอยู่ในสถานที่ใดก็ะบอกอเปียด บอเปียบบอรัด บ, บอคอบ่อรับชั้นเวลาอบอรลอขอลับชั่นต่อนาทีการงานูซซื้อตรงต่อนาทีการงานอันนี้ก็ขอมอบให้เป็นแบบฉบับเป็นตัวอย่างของลูกหลานต่อไปพ้ายภาคนาพรนั้นพวกเข้าทั้งหลายนะี่นี่แหละมาหาพระหาเจา้พาพระเจา้ามันก็บอกสิอะไรฟัง พระสงฆ์องค์เจ้าในป่าในถงเพิ่นวังสิห่หลฟังฟังแล้วนําไปประพฤติปฏิบัติเนี่ยานนี่นะเนี่บ่แม่หลวงพ่ออินดาที่บ่แม่เนี่ยจะไปหาคือจังสันโว้ยไปหาหลวงพ่ออินบอกเอาบอกเอาบอกเอาขางเขาถูเออหงพ่อวานหลวงพอว่อบอามีเหตุมีผลอยู่เด้อเออฝอยนั้นพวกเข้าฟังโดยเหตุด้วยผลเนีจากนั้นก็นําไปประพฤติปฏิบัติหลวงพ่อว่านความรมเย็นเป็นสุขหลวงพอว่อพอได้รับคำบอกพวกเขาน่ะจะได้รับ ครอบครัวของเ้าน่ะจะได้รับสามีพันยาของเ้านอนรับลูกเต่าของเ้าน่ะจะได้รับลมเย็นเป็นสุกวนไป